ที่วัดป่าสุกโตเวลาพระแม่ชีหรือแม่แตยโยมไปตักอาหารนี่บางทีเราก็ใช้คำว่าพิจารณานะไปพิจารณาอาหารคนบางคนอาจจะไม่เข้าใจคิดว่าไปจ้องมองดูอาหารนะที่จริงเนี่ยที่ใช้คำนี้ก็เพื่อเตือน นะพวกเราทั้งพระทั้งโยมว่าเมื่อจะไปตักอาหารเนี่ยนะก็ควรจ ะ, ะระลึกว่าเรากินอาหารเพื่ออะไรนะเป็นการเตือนใจตัวเองว่าเรากินอาหารเนี่ยไม่ใช่เพื่อความรอร่อยนะไม่ใช่เพื่อความโกรู แต่ว่าเพื่อให้ร่างกายเนี่ยเราอยู่ได้นะแล้วก็เพื่อบำบัดความทุกความยากความลำบากเช่นความยุย่งหยและสุดท้ายก็เพื่อให้เราเนี่ยสามารถจะมีเรื่องมีแรงนะไปใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์ทำความดีนะ เราพวกเราสังเกตดูก่อนที่พระเจริญเนี่ยก็จะสวดเป็นภาษาบาลีนะาบาลีบทที่สวดเนี่ยนะก็ เ, เรียกว่าเป็นภาษาบาลีขอตังคณิปัจจเวปัจจเ ว, เวคือพิจารณา น, นั่นเองก่อนที่จะทานอาหารคือพิจารณาว่าเราไม่ได้กินอาหารเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานไม่ใช่เพื่อความมอมมันเกิดพลังทางกาย ไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งนะแต่เพื่อให้เพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพนะเพื่อความำทำให้ความระบัดทางกายหมดไปและเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์ให้สำหรับพระนะสำหรับโยมนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าพรหมจรรย์ในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการ อ, อยู่แบบไม่มีเพศสัมพันธ์หรือไม่ถุดวิรัต พรหมจรรย์นในพุทธศาสนาก็มีความหมายกว้างหลายระดับนะเพียงแค่การมีศีลห้าหรือว่าการสื่อสรรในคู่ครองก็ถือว่าเป็นพรหมจรรย์แบบนึ้นได้เหมือนกันนะเพราะพรหมจรรย์ความหมายจริงคือชีวิตที่ประเสริฐชีวิตที่ดีงามนะคราวนี้เวลาเราไปตักอาหารเนี่ยนะก็พิจารณาคือเตือนใจเราว่าเรากินอาหารเพื่ออะไรหรือควรจะกินเพื่ออะไร อนะันขอลาเตือนว่าเรากินอาหารเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้เพื่อให้มีสุขภาพดีจะได้ทำงานทำการไม่ใช่เพื่อความอร่อยนะไม่ใช่เพื่อสนองกิเลสเนี่ยเวลาตักอาหารเราก็เลือกดูว่าเออหนึ่งนะเราจะตักแค่ไหนแค่ไหนถึงพอดีนะแล้วสองควรจะตักอะไรนะ ของบางอย่างเนี่ยนะมันอร่อยก็จริงนะแต่ว่าอาจจะไม่ถูกกับร่างกายของเราบางคนอาจจะมีโรคหรือว่ากำลังจะเป็นโรคเช่นเบาหวานอ่าถ้าตักขนมตักของหวานนะแม้ว่าอ่ใจจะชอบนะแต่ถ้ามันเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรานะก็ไม่ควรบางคนมีโรคหวัวใจหรือว่า มีไขมันในเลือกเยอะอาก็ไม่ควรจะตักประเภทพวกเนื้อของทอดของมันอันนี้ก็คือการเตือนใจนะว่าเราควรจะตักแค่ไหนและควรจะตักหรือเลือกกินอะไรบ้างตรงนี้เราต้องพิจารณาแล้วพิจารณาว่าอาหาร ใดที่เหมาะกับเรานะที่เกื้อกูลกับสุขภาพของเราที่ไม่เป็นโทษกับร่างกายของเราอย่าลืมว่าอาหารเนี่ยมันก็มีทั้งคุณและโทษนะงั้นะถ้าเรากินอาหารนะที่มันไม่ถูกกับร่างกายของเรานะไม่เหมาะกับสุขภาพของเราก็กลายเป็นโทษได้หรือ แม้ว่าเราจะไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ถ้าเรากินมากไปนะมันก็เป็นโทษอย่างเบาบอกก็แน่นท้องหรือว่าจุกเสียดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตัางอาหารเนี่ยเรากา็เดี๋ยวพึ่งตักด้วยอารมณ์อารมณ์อะไรอารมณ์อยากนะอยากอะไรอยากกินของอร่อยนะอยากกินของชอบ เรากินของตามความชอบมาบ่อยแล้วเรียกว่าเอาความถูกใจเป็นหลักมาที่นี่ก็ลองกินอาหารโดยคำนึงถึงความถูกต้องม้างนะความถูกต้องทั้งทางกายและทางใจที่พูดมาชักครนนี่เป็นความถูกต้องนะทางกายก็คือว่ากินอาหารหรือเลือกพิจารณาอาหารที่มันมีประโยชน์ต่อสุขภาพหรือว่ามันไม่เป็นของแสลง ต่อโรคหรือว่าไม่ทำให้ร่างกายหรือสุขภาพเราแย่ลงอันนี้เราจากความถูกต้องทางกายและความถูกต้องทางใจคือว่านะกินเพื่อให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นนะแถ้าเรากินด้วยอารมณ์กินด้วยความอยากนะก็กลายเป็นว่าจิตของเราเนี่ยนะมัน ถูกกิเลสนะถูกตัณหาคร่อมงำได้ง่ายนะแล้วคนร้เนี่ยก็ฟุ้งฟักหล่อเลี้ยงกิเลสตัณหามานานแล้วในระหว่างที่เรากินอาหารหลายคนไม่ได้กินแค่อาหารหลายคนก็หลายคนไม่ได้กินอาหารไปหล่อเลี้ยงร่างกายแต่กินอาหารไปหล่อเลี้ยงกิเลสด้วยนะเพราะกินตามความอยากกินเอา กินด้วยความถูกใจมากว่าความถูกต้องนะซึ่งสุดท้ายเนี่ยนะพอกินด้วยความอยากกินด้วยความถูกใจแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็เกิดความเสียหายทั้งกับร่างกายและจิตใจนะคนที่เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานนะโรคหัวใจนะหรือแม้แต่โรคเกาเนี่ยนะมันก็เพราะเริ่มต้นจากการที่อนุญาตหรือปล่อยให้นะกิเลตตัณหามาครองใจ จนเป็นท่าของมันหลายคนนี่จะตายอยู่แล้วนะเพราะว่าโรคเบาหวานโรคหวัวใจแต่ก็ยังร้องขอนะขอกินของหวานขอกินช็อกโกแลตขอกินข้าวเหนียวมะม่วงบางคนขอกินหมูพะโล้ขาหมนะูนี่เรียกว่ากิเลสมันคลองใจแล้วจนกระทั่งต้อง เป็นธาตุของมันนะแล้วสุดท้ายก็เลยตายเร็วนะห้ามใจไม่ได้นะถ้าห้ามแล้วนี่จะจะเป็นจะตายให้ได้ไม่ต้องพูดถึงบุหรี่นะไม่ต้องพูดถึงเหล้าเนี่ยของคนที่ติดเนะี่ยนั้นเวลาเรากินอาหารเนี่ยจะต้องพิจารณาว่ากินเพื่ออะไรนะะอะไรคนกินที่จริงในพุทธศาสนาเนี่ยนะ มันมีสองคำถามที่เราพิจารณาเสมอคือกินอะไรก็กินอย่างไรในทางสุขภาพก็ะจะในเรื่องการกินอะไรแย่งกินอาหารเนครบห้าหมวดหรือว่ากินอาหารให้มันถูกสุ ร, สรักษณ์ถูกลักษณะอย่า ก, กินหวานกินเค็มมากนะอย่า ก, กินของทอดของมันมากนะกินของเค็มมากเดี๋ยวนี้ก็ไตาวายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรต้องพิจารณาถ้าว่าเรารักตัว แต่ว่าท่านั้นไม่พอนะนอกจากกินอะไรแล้วต้องถามว่ากินอย่างไรด้วยในพุรมศาสนาเนี่ยนะการกินอย่างไรก็สําคัญก็กินกินอย่างมีสติกินอย่างมีสติหรือว่าก่อนกินก็พิจารณาว่ากินเพื่ออะไรการกินอย่างไรก็สําคัญนะถราเรากินอย่างมีสตินะมันก็จะช่วยทําให้การกินอะไรเนี่ย มันเป็นไปเพื่อสุขภาพของเราถ้าเรากินด้วยกินยังไม่มีสตินะก็อาจจะมูมมามกินเยอะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นโรคอ้วนหรือว่าอาจทำให้ติดคอตายนะถ้าเราเกไม่มีสติมันก็จะเลือกกินแต่ของที่ถูกใจนะแต่ว่าไม่ถูกต้องก็เกิดปัญหาอีกเหมือนกันนะทีนีเนี่ยจึงให้นะ แนะนำว่าเวลาไปอาหารก็ให้พิจารณาด้วยเริ่มต้นโดยการเตือนใจเราว่ากินเพื่ออะไรหรือควรกินเพื่ออะไรหลังากนั้นก็เลือกดูพิจารณาว่าของอะไรที่ควรกินและขณะที่เอาอาหารมาตั้งไว้อยู่ข้างหน้าเมื่อจะเริ่มกินก็ให้กินอย่างมสตินะอันนี้จะทําให้การกินเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติทําไปในตัวเป็นประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นประโยทั้งต่อร่างกายและจิตใจด้วยนะนเราก็เตรียมรับพรอิศตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปราถนาและตั้งใจแล้วที่พระเมวะสมีชาตูจงสำเร็จโดยชาพรตาเพบุเรนตุสังกปาพอความดำรีทั้งพวงจงเต็มที่จันโทปนรารโซยะา เหมือนพระอาจารย์นายวันเพนมานินชโชติราโซยัตาเหมือนแกม่มานิอันสว่างสวยควรยินดีสาภิตโยวิวัชันตควานจรารยทั้งป่วงจงบำราบายัยกับโรโควินาสตูโรคทางห่วงของท่านจงหายมาเิพวักวันตรารโย ο, อันตรารยามีแก่ท่านสุขิธิขายุโกภวา ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวานธนาศิลิสนิจางุธาปจา ย, ยโนจัตตารรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพลังสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพลาย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบปกติอ่อนนอนกับคุยหายเป็นนี้ พาวตุสาพมังคารังพาสาพมองคนจงมีแก่ทานราคันตุสาพาเท ว, วตาคาราเท ว, วดาทัางปวงจงรักษานานสาพาภูธานุภาเวนาด้วยอานุภาแห่งพระพุ้ศักดิ์ษาพาธรรมานุภาเวนาด้วยอานุภาแห่งพระธรรมสาพาสังฆานุภาเวนา โดยอนุภาแห่ ง, างราสงสาธาโสธิภาวนตุเตขอความสวัสดีทางไลจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเธอ